เเคยมีคนสงสัยว่าคนที่มีศีลเนี่ยนะทำบุญกับพระทุศีลจะได้อานิสงส์นะมากน้อยแค่ไหนนะอันนีนะ้ถ้าตอบจากนะคำสอนผู้พุทธเจ้าเนี่ยก็จะบอกว่า ได้อันนี้สงมากนะได้อ น, นี้สงมากกว่าคนทุศีลทำบุญกับพระที่มีศีลหรือพระริยเจ้าโดยซ้ำนะอันนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะเพราะไปคิดว่าโอ้ถ้าทำบุญกับพระริยเจ้าแล้วเนี่ยจะได้บุญมากบุญมากหรือน้อยนี่มันยังขึ้นอยู่กับ คนที่ทำบุญด้วยหรือเจ้าตัวนะั้นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีศีลมากหรือน้อยหรือว่าเป็นคนทุศีล น, นะถ้าเป็นคนทุศีล น, นะเช่นเป็นผู้ร้ายเป็นโจรเป็นคาตรกรหรือว่าคนที่ทุจริตนะแม้ทำบุญกับพระเรเจ้าก็ได้อนิสงน้อยนะสู้คนที่มีศีลมางนะ คนนี้มีศีลมากนะศีลห้าครบถ้วนสมบูรณนะ์ทำบุญกับพระทุตศีลนี่ก็ยังได้บุญมากกว่านะอันนี้ก็ต้องทำเขา้าใจนะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะเรื่องบุญเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้รับอย่างเดียวนะที่สำคัญก็คือตัวผู้ทำบุญด้วยนะถ้าว่าคนทุศีลเนี่ยทบุญกับ พระริยเจ้าแล้วได้บุญมากเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่คิดจะประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีไปทำชั่วที่ไหนมาไปฆ่าใครมาไปโกงใครมาก็เอาเงินที่ได้ไปทำบุญกับพระริยเจ้าอย่างนี้ก็สบายสินะไม่ต้องทำความดีไม่ต้องรักษาศีลนนะแค่ไป ไปหามาว่าที่ไหนมีพระอริยเจ้าก็ไปทําบุญกับท่านนะความคิดแบบนี้มันก็จะไม่ส่งเสริมให้คนเราเนี่ยพัฒนาตนฝึกตนให้เป็นคนที่มีศีล น, นะฉ้คนที่มีความห่วงกังวลว่าอทุกวันนี้นี่พระดูยากนะว่าพระไหนเนี่ยนะองไหนมีศีลองไหนทุศีล หรือบางทีก็รู้นะแต่ว่าก็ไม่สบายใจนะว่าเราทำบุญให้กับพ้าทุสีแล้วนี่จะได้บุญจะได้อา น, นิสง์มากไหมนะนะก็ตอบว่าได้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยนะเป็นคนมีศีล น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้บุญมากนี่ไม่ต้องไปมัวหาพ้าเดียเจ้านะก็เพียงแต่ว่าฝึกฝนตนให้เป็นคนนะมีศีล นะตั้งแต่สีลข้อนึงถึงสีลข้อนี้ ห, นห้ารวมทั้งมีความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถา้าเป็นคนมีศีลแล้วจะทำบุญกับใครนะจะเป็นพระทุศีลหรือไม่ก็ตามนี้ก็ได้บุญไม่มีคำถามนะในคำเพียรทกถาว่าอันนี้ฟังดีๆนะจีวรที่พระพุทธเจ้า นะมอบให้กับพระไสหริบุตรนะกับจีวอนที่พระไสหิบุตรถวายกับพระพุทธเจ้าจีวอนไหนนะที่มีอ น, นิสงฆ์มากกว่ากันนะหลายคนก็จะตอบว่าเนี่ยจีวอนที่พระไสหิบุตรถวายกับพระุทธเจ้านั่นแหละนะจะมีอ น, นิสงฆ์มากเพราะพระพุทธเจ้านี่มีคุณธรรมสูงสุดนะ สูงกับพระภร ะ, ระสาบุตรมากนแต่คําตอบก็คือผิดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายจีวรหรือให้จีวรกับพระสายรุยบุตรเนี่ยจีวร น, นั้นเนี่ยจะมีอ น, นิสงฆ์มากเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมสูงกว่าพระสาสรุบุตรนะอันนี้ก็เป็นเครื่องตอกจาว่าอ น, นิสงฆ์นะของบุญเนี่ยนะ มันไม่ได้ที่ตัวผู้รับนะเท่านั้นนะที่สำคัญคืออยู่ที่ตัวผู้ให้นะถ้าผู้ให้มีคุณธรรมสูงกว่าผู้รับนะก็ได้บุญมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราอาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าไม่ได้นึกเลยนะเพราะเราคิดว่าโอ้ถ้าถ้าถวายจีวรหรือถวายทานเนี่ยกับพระอรหันต์ก็ดี พระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยนะมีอา น, นิสงส์มากก็จริงนะมีอา น, นิสงส์มากแต่ว่าจะมากหรือน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับตัวคนถวายด้วยนะถ้าเป็นคนมีศีล น, นะก็อา น, นิสงส์ก็มากถ้าเป็นคนไม่มีศีลทุศีลนะก็อานิสงส์น้นนะ อ, นนนอยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงนะว่าเวลาเราทําบุญในหะลวงพ่ะญาติโยมเนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจว่าพระวัดนี้พระรูปนี้นี่ทุศีลหรือเปล่า เป็นพระเรียบร้อยไหมอย่าไปดูที่คนอื่นดูที่เรานะว่าเรามีศีลหรือเปล่าถ้าเรามีศีลเนี่ยทำไปเถอะนะก็คนรับนี่เขาเรียกว่าปฏิคาหกนะจะมีศีลหรือไม่นะก็รว้แล้วแต่ได้บุญทั้งนั้นแต่ถ้าพูดไปแล้วนี่อย่าไปสนใจนะว่าทําบุญแล้วเนี่ยได้อ น, นิสงส์มากหรือน้อย ชาวพุทธเราหลายคนนี่เวลาจะทำบุญก็นั่งคำนวณนะว้าทำกับคนที่ทำกับคนนั้นนี่อย่างไหนจะได้บุญมากกว่าอย่างไหนจะได้บุญน้อยกว่าทำกับคนก็ได้บุญมากกว่าทำกับสัตว์นะทำกับพระได้บุญมากกว่าทำกับคนยากคนจนนะนะอย่าไปคิดมากขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราทำบุญเหมือนกับเราซื้อหุ้นนะก็คือว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็ ก็ซื้อหุ้นตัวนั้นนะเวลาทำบุญก็ดูว่าคำนวณว่าบุญทำกับใครได้อั น, นีิสงมากกว่าก็ทำอย่าไปสนใจมากขนาดนั้นนะพระผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยเวลาทำบุญเนะี่ยอย่าไปสนใจผลของบุญนะให้ทำเหตุให้ดีก็คือว่าทำบุญก็ตั้งใจทาจะทำกับใครก็ ไม่สำคัญนะเท่ากับว่าเขาตกทุกข์ได้ยากนะก็ช่วยเขาไปให้สนใจที่ตัวเหตุตัวการกระทำนะอย่าไปนสนใจว่าทำแล้วจะได้บุญมากหรือน้อยนะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ยึดติดยึดมั่นในผลของบุญกลับได้อ น, นิสงโน้ยนะคนที่ทำโดยที่ไม่ได้หวังว่าบุญนั้นจะเกิดอ น, นิสงหรือเกิดผลอย่างไรเนี่ยกลับได้บุญมากกว่านะ ยิ่งทำบุญแล้วก็หวังว่าจะได้โชคได้ลาภหวังว่าจะถูกหวยหวังว่าจะได้ร่ำรวยในชาตินี้หวังว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในภพหน้าเนี่ยอันนี้ก็ทำให้บุญนั้นมีอา น, นิสงส์น้อยลงนะแต่ถ้าทำโดยที่ไม่หวังอะไรเลยหวังเพียงแค่ว่าเออเพื่อฝึกจิตให้ลดความตนีลดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ได้อา น, นิสงส์มากกว่านะเพราะว่า เป็นการทำเพื่อที่จะมุ่งนะลดละ ก, กิเลสนะไม่ใช่ทำเพราะว่าจิตเจือด้วยกิเลสเจือด้วยตัณหาอยากได้มากไ ม, ไม่ว่าจะเป็นความร่ารวยไม่ว่าจะเป็นการได้เกิดไปเป็นเทวดาในภพหน้าเนี่ยไปนึกถึงผลตอบแทนแบบนั้นแล้วเนี่ยอา น, นิสงส์ก็น้อยลงนะเพราะว่ามันไปเพิ่มพูนกิเลสไปเพิ่มพูนตัณหา นะไม่ว่าจะเป็นกรารมตัญหาหรือภาวะ ต, ตัญหาอยากมัง่งอยากมีอยากรวยก็เรียกว่ากรารมตัญหานะอยากได้เกิดเป็นเทวดาอยากจะเกิดเป็นคนเจ้าคนนายคนนะอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัญหาจากการมตัญหาหรือภาวะ ต, ตัญหาก็เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละ น, ะนี้เวลาทาบุญเนี่ยก็ให้มุ่งนะว่าเออเราทาเพื่อลดความตนหนี อันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตนส่วนประโยชน์ส่วนท่านก็คือว่าเรามุ่งอยากจะช่วยเขานะจะเป็นสัตว์จะเป็นคนยากคนจนจะเป็นพระก็แล้วแต่พระพุทธเจ้านะสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เลือกนะว่าช่วยใครได้บุญมากกว่าเห็นสัตว์เดือดร้อนนะก็ช่วยนะไม่ต้องไม่ได้เลือกว่าโอช่วยสัตว์นี่ได้บุญ น, น้อยกว่าช่วยคนนะ แม้แต่สัตว์นี่ถ้าเดือดร้อนจริงๆพระองค์ก็พร้อมจะสละชีวิตให้นะอย่างสมัยเป็นพระฤาษียังเป็นฤาษีสมัยที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่เสือมันออกลูกมันหิวโหวยมากเลยแล้วมัน ก, ก็เลยจะกินลูกของมันพระพุทธิสัตว์ตอนนั้นเป็นฤาษีก็อยากจะช่วยลูกก็ให้ลูกศิษไปหาอาหารมาให้ ลูกเสือก็เข้าไปในป่าหาอาหารยังไงก็ไม่กลับมาสักทีแม่เสือก็กำลังจะขย่ําลูกอยู่แล้วท่านก็เลยสละชีวิตให้กับให้กับแม่เสือเลยนะให้แม่เสือกินท่านเป็นอาหารจะได้ไม่ต้องไปฆ่าลูกของมันอันนี้เลยว่าสละชีวิตเป็นทานนะเป็นปรมาธบารมีไม่ได้สละชีวิตเพื่อ เพื่อคนนะเพื่อสมณะชีพรมามณอะไราหรือไม่แต่สาช่วเพื่อพระปฏิ เ, เจ้าถึงแม้วได้บุญมากกว่าแต่ว่าสัตว์มันกำลังจะตายก็ต้องช่วยนะอันนี้เป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์นะที่ท่านบําเพ็ญทานบารมีนบารมีงั่นแหละที่ทำแล้วอ น, นิสงฆ์มากในเวลาทําบุญเนี่ยนะก็อย่าไปมวัวแต่ข้นคว้าหาว่า พระรูปนี้เป็นพระดิยเจ้าหรือไม่นะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะให้ถามตัว เ, เองว่าเรามีศีลไหมนะถ้าเรามีศีลมากทานที่เราทำบุญที่เราบาเพ็ญก็จะเมียรนิสงมากตามไปด้วยและประการต่อมาคือว่าอย่าไปสนใจว่าทำบุญกับใครได้มากทำเมืองใครได้น้อยเห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ช่วยเขาไปเลยนะ นม้จะเป็นคนยากคนจนน่าจะเป็นคนขี้เมานะคนขี้เมาเมาเหล้าจนกระทั่งเป็นลมนะอยู่กลางถนนเนี่ยเห็นเขาอยู่ตอนหน้าก็ต้องช่วยเขานะจะไปคิดว่าโอ้ยช่วยคนเมาเหล้านี่มันได้บุญน้อยกว่าช่วยพระทําบุญให้พระนี่ไอคิดแบบเนี้ยิ่งได้อันธิสงน้อยเพราะว่าทําด้วยจิต ท, ที่เจือกิเลสนะ ก็ไม่ต่างจากพ่อค้าแม่ค้านะที่เขาจะขายใครเนี่ยเขาก็ดูว่าขายใครได้กาไรมากกว่าเพียงแต่ว่าบางคนนี่ไม่ได้สนใจเงินทองหรือกาไรแต่สนใจบุญนะทำอะไรก็คิดนะว่าจะใครทำแล้วจะได้บุญมากกว่าอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากพ่อค้าแม่ค้านะที่ทำก็มีประโยชน์มีอ น, นิสงมาแต่ได้น้อยนะ อันนี้เราก็นะเป็นชาวผู้ก็ให้เข้าใจในเรื่องการทําบุญบุญจะมีอันที่ส่งมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้ทําด้วยนะว่ามีศีลมากหรือน้อยไม่มีสีเลยเนี่ยทำบุญก็ได้บุญนะแต่น้อยกว่าคนที่มีศีนะแม้จะทําบุญกับพระทูตสีก็ตามอันเราก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยท่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว อิบาเมยวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกับอาขอความดำรีิทั้งวงจงเต็มที่จันโทปันระโซยัธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพริโทติระโซยัธาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพเพเดียวิวัชันโตผ่านจันไรทางวงจงบำร่าไปสัพพรโควินาสัตโต โรกทั้งข่วงของท่านจงหายมาเทพาวันตารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภา่านจดเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพีวาธนศีลิสัญจางุนทาปจายโนชาตารุธรรมาวท่านีอายุวันโนสุขังภาลาอัศีปการคืออายุวันณาสุขาภลา ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กราบมีปกติ อ, อ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิเพราว่าตุสะพมังคลรังอสะพมองคอนยองมีแก่ท่านเราขันตุสะพระเท ว, วตาอราเท ว, วดาทั้งหวงจองรักษาท่านสภา พ, พุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาาสังคานุภาเวนา้ดยอนุภาแห่งภาสองสาธาโสธิภาวนตุเตขอความสวดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกม่